อคนที่เคยมาเรียนแนละ้คนไหนจะส่งกันบ้านบ้างแมวว่าไงแมวมมสติเกิดเร็วขึ้นไหมอารมณ์ที่แรงจะเห็นง่ายแลตื่นขึ้นมาเร็วพอเราฝึกไปเรื่อยต่อไปอารมณ์เล็กน้อยนะสติก็จะเกิดหัดใหม่ๆอย่างเป็นต้นว่า ต้องโกรธแรงๆถึงจะเห็นพอเราฝึกไปเรื่อยๆขัดใจเล็กๆเราก็เห็นแล้วสติจะเร็วให้กิเลสเถอะเบาบางกิเลสเบาบางเนี่ยไม่ใช่เพราะเราเก่งหรอกแต่เพราะสติมันเร็วพรสติมันเกิดกิเลสมันทํางานต่อไม่ได้มันดับที่บอกว่าสกิทาคากิเลสเบาบางสติไวว่าพระโซด า, <c oughs> าไหวแวบก็เห็นกัะ ข, ขาดกิเลสแรงๆเลยเกิดไม่ได้ เบาริยาว่าไงจิตตอนนี้กับตานอยู่บ้านเหมือนกันไหนมอ้าวตบถูกใช้ได้หมายอย่างนี้ถูกใจะคุณเดนในเชิญข้างหน้าเลยก็ได้จันสุพจนศละ่ะจันสุพจน์เป็นไงพอดีมูคณะเขไม่เคยมา <c ười> เคยฝึกไหมไมูคณะ <c ười> แต่ว่าไม่รู้ว่าจะจะเข้าเข้าที่นะ <c ười> คือการปฏิบัติอดีตเดียวขอไล่ตรวจกันบ้านก่อนก็แล้วกั น, กนบัติเป็นไงพุโทโธช่วยได้ไหมพุโทโธพุโทโธนะเออแต่ไม่ไปตีไขยตายพุโทพโธไว้โพงเป็นไงโพงโพงมาอยู่นี่ติด ม, มาหลายรอบแล้วตัว ไซ่อนอยู่ข้างหลังหไม่เห็นเป็นไงเป็นไงบ้างมันจะเผลอบ่อยอเผออบ่อยอดีต ม, ม, มต้องไม่ทันต้องตามรู้ห้ามดับรู้นะต้องตามรู้เช่นเผลอไปก่อนแล้วรู้ว่าเผลอมันเผลอไปต้องา น, อาอาอนานได้สิบนาทียาวนานไปหน่อยนะเผลอสักึกก่งนาทีนะแล้ไปเผลอห้าวินาที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 <tyard> สติเกิดได้เร็วขึ้ น, นไหมวันนี้เข้าที่หรื อ, อยังย้ายงานไปตูประตูปเป๋ว้ช่วงหนึ่ง ต, ตอนนี้ิ ง, งานเยอะงีรู้ว่นนไม่ได้รู้อะไรเลยแล้วรู้เป็นมันวันนานไปหน่อยนะ <kahkaha> คือเราบอกงานเยอะพวกเรานักทำงานนี่ นักการเงินมือทองของธนาคารไหนจําไม่ได้แล้วเห็นลงหนะังสือกิมนะงานของเราเยอะนะถึงงานในหลวงเยอะกว่าเราหลวงพ่อเคอ่านหนะังสือเล่มหนึ่งของการไฟฟ้าสายผลิตข้อพิมพ์เป็นเรื่องของหลวงพ่อก เ, เกษมเขศมาโกว์ในหลวงเนี่ยไปเจอหลวงพ่อกเกษมแล้วไปเล่าให้ท่านฟังว่าตัวผมผมมาถึงในหลวงแล้วนะผมเนี่ยเวลาน้อยงานเยอะ ผมซอยชีวิตของผมเป็นช่วงเล็กๆมีเวลาสองนาทีสามนาทีนะดูแลนะงั้นเราจะไม่อ้างนะอ่ามาอ้างไม่ได้นะนี่หลวงพ่ต้องดักคอไว้ก่อน บ, บอกว่างานมากไม่มีเวลาทำมันมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งบอกคนที่ว่าคิดงานทั้งวันอ่ะทำงานทั้งวันอ่ะทำจริงๆสี่ชั่วโมงกว่ากว่าเวลาที่เหลือไว้ใจ่อยงั้นเราอ้างไม่ได้นะ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 ขยับตัวลุกขึ้นมาเห็นร่างกายนี้เคลื่อนไหวละวเราคิดงานมานานเราดูจิตไม่ไหวจิตสับสนวุ่นวายดูจิตไม่ออกรู้กายไว้เห็นร่างกายนี้เดินไปห้องน้ำไปห้องน้ำเสร็จแล้วสบายใจมีความสบายใจก็รู้ว่าสบายใจเข้ามาดูจิตแล้วตอนขาเดินกลับจากห้องน้ำนี่ดูจิตสบายละวงั้นเล็กๆน้อยๆ น, ย น, ยนาทีสองนาทีไม่ริงนะ เก็บให้หมดเลยพวกเราเป็นชาวเมืองส่วนใหญ่เป็นนักบริหารเวลาน้อยมีนิดหนึ่งก็เอาถ้าเราจะรอไปทำตอนเข้าคอร์สเข้าวัดนะ้วไม่ทันปีหนึ่งจะเข้าสักกี่คอร์สที่เหลือกี่เลยเราไปกินหมดอ่ะคนถัดมา ขยันนะต้องขยันขยันดูเรื่อยๆแล้วโน่นอ่ะแมวแมวอีกคนใช่ไหมวันนี้มีหลายแมวว่ามาเป็นไงนนเราทำหรือเปล่าปต <c oughs> ิบัติหรือเปล่าทำไมหลวงพ่อแต่ก่อนหลวงพ่อก็เรียนอย่างพวกเราเงี้ยนะทำงานก็เหมือนเราทำนี่แหละสองสามเดือนสามเดือนสี่เดือนเลยเนี่ย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 ฟังให้รู้เรื่องก่อนฟังเรื่องสภาวะก่อนกิเลสแต่และตัวมันเป็นยังไงมีลักษณะยังไงมันทานํางานยังไงเนี่ยฟังฟงัฟังไปนี้เราจะไม่ฟังอย่างที่ทําเรียนแก่นก็ได้เสียเวลานะถ้าไม่อยากเรียนสังเกตตัวเองเลยสังเกตสภาวะไปได้วยความรู้สึกของเราแต่และวันแต่และเวลาไม่เหมือนกันไปสังเกตถึงจุดหนึ่งสติจะเกิดขึ้นเองเมื่อไหร่จิตจําสภาวะได้สติจะเกิด ด้นในต้องจับหลักให้แม่นนะสติเองก็เป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้สังขารทั้งหลายเนี่ยเกิดจากเหตุตถ้ามีเหตุมันถึงจะเกิดอย่างโทสะเหตุของโทสะก็คือเรามีปฏิคารุษใสมีอนุใสขี่โมโ oh, หมีโทสานุษใสได้รับการกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีไม่พอใจ เกระทบอารมณ์ไม่พอใจเชื้อเดิมเราก็มีกระทบอารมณ์ไม่พอใจโทสะก็เกิดห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้ถ้ามีองค์ประกอบเหล่านี้โทสะต้องเกิดถ้าเรามีราคะนุสัยมีราคะพื้นฐานเดิมของเรากระทบอารมณ์ที่พอใจแล้วราคะต้องเกิดสิ่งทั้งหลายเกิดจากนี้แล้วไม่มีใครไปดับมันได้ด้วยเพราะถ้าเห็นดับมันถึงจะดับ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 ถ้าใครรู้สึกตัวเป็นแมวรู้สึกไหมบางทีมีความสุขโชยขึ้นมาเฉ ย, ยๆแผ่วๆขึ้นมาไม่ได้ทําอะไรเป็นความสุขที่ไม่มีอามิดเป็นส ม, มนัตเวทนาที่ไม่มีอามิดจิตแจมจะมีความสุขด้วยตัวของมันเองเพราะว่าจิตมันเป็นกุศลความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิเดิในในฟังให้ดีนะไม่ใช่เกิดตามยาถา ก, กรรมสมาธิไม่ได้เกิดจากการบังคับจิตให้สงบสมาธิเกิดจากความสุข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 มีความซื่อตรงในการรู้ไม่เข้าไปแทบแสงเนี่ยอุชุกตาไม่ถู ก, กิเลสครอบงำนะเรียกกรรมย ญ, ญาตาควรแก่การงานนะนักปฏิบัติเนี่ยจะมีจิตที่เป็นอกุศลเยอะอยากปฏิบัติก็อยากปฏิบัติเนี่ยจิตไม่ควรแก่การงานนะจิตถูกความอยากครอบงําจิตจะหนักจะแน่นจะแข็งจะซึมจะทื่อๆ อ, อ, อยู่นี่ลักษณะของอกุศลและจิตส่วนจิตที่มีสติ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 แล้วเพื่อความสมบูรณ์แห่งยานพัศนะเพื่อความมีสติก็คือตามรู้หัดตามรู้ไปจนกระทั่งจิตมารู้จักสภาวะสติจะเกิดขึ้นเองพอสติเกิดปุ๊บจิตใจอยู่กับ เ, เนื้อตัวคราวนี้มันจะเห็นกายอย่างที่มันเป็นเห็นใจอย่างที่มันเป็นนี่คือการเจริญปัญญาเรียกว่าการเจริญบุปภา พ, าพามัคมัคเบื้องต้นมีสติรู้กายมีสติรู้ใจ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 จิตนั้นมันเกิดทางตานะครับพอเรารู้ตัวว่ามันไปทางตาแลจิตที่ไปทางตามันดับแลแ้วในขณะนั้นไม่ได้ดูรูปแลแ้วในขณะนั้นรู้ทันจิตให้มันเกิดดับสลับกันเดี๋ยเราจะเห็นความจริงจิตนี้เกิดดับเกิดดับเกิดดับเห็นไปเรื่อยๆในที่สุดก็ดเข้าใจความจริงอีกบังคับไม่ได้ด้วยจะสั่งให้ฟังอย่างเดียวไม่ได้ต้องฟังไปคิดไปคุณจะนายดูออกไหมฟังไปคิดไปไม่ได้ฟังอย่างเดียวคิดเดยวกว่าฟังดูออกไหม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 ในที่สุดพอจิตมันจําสภาวะได้ว่าไหลวิคิดเป็อนอย่างนี้นะพอมันไหลไปคิดปุ๊บจะดีดฐางให้มันตื่นขึ้นมาฉับพลันนะจะตื่นสว่างขึ้นมาสว่างอย่างเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดทันทีที่เราหลุดออกจากโลกของความคิดเนี่ยถ้าสติระลึกรู้กายจะเห็นทันทีกายไม่ใช่ตัวเราถ้าสติระลึกรู้จิตเจะเห็นทันทีว่าจิตไม่ใช่ตัวเราเพราะความเป็นเราเกิดจากความคิด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 เขารู้ไปเห็นแต่คําว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะเนี่ยมันปฏิเสธความเป็นตัวตนอยู่ในตัวเองแล้วถึงวันหนึ่งใจมันยอมรับความจริงจะแจ้งขึ้นมาโอ้จิตนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นของไม่เที่ยงเป็นของบังคับไม่ได้เห็นอย่างนี้สักยทติทีจะขาดตรงนั้นเลยเพราะกายนี้ง่ายอยู่แล้วที่จะเห็นว่าไม่ใช่เราแค่จิตรู้สึกตัวขึ้นมากายก็ไม่ใช่เราแล้วแต่จิตเนี้ต้องเห็นมันเกิดดับเกิดดับไปด้วย เคยได้ยินชื่อหลวงพ่อเทียนไหหลวงพ่อเทียนเทียนสอนดีนะหลวงพ่อเทียนบอกว่าถ้าเมื่ไรรู้ว่าจิตชิดนะเนี่ยได้ต้นทางของการปฏิบัติรู้ว่าจิตชิดนะไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตไปคิดนะคนละอันรู้เรื่องที่จิตไปคิดนี่ไม่มีสาระอะไรเลยฟุ้งซ่านเฉยๆใครๆก็รู้หมามันก็รู้นะหมามันไปคิดมันก็รู้เรื่องที่มันคิดเหมือนกันไม่เก่งกว่ากันหรอกนะแต่ถ้าเราใจเราแอบไปคิดปุ๊บเรารู้ทันเลยมันหนีไปคิดแล้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 ดิ้นรนฝ่ายชั่วดิ้นรนฝ่ายดีดิ้นรนที่จะหลีกเลี่ยงการรู้อารมณ์ที่เมื่อช้าเล่าให้ฟังคืออภิสังขารสามอย่างลูกแต่งที่เป็นกุศลที่อังกุศลลูงแต่งอนเนินชาดิ้นไปเรื่อยหวังว่าจะมีความสุขสัตว์ทั้งหลายก็รู้แต่ว่าถ้าได้กินอะไรอร่อยอร่อยได้กินอิ่มอิมแล้วมีความสุขนี่อย่างโลกโลกเลยนักปฏิบัติก็คิดว่าถ้าเราควบคุมจิตใจของเราไว้ได้ดีเราจะมีความสุข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 ขันห้าร่างกายจิตใจเนี่ยแสดงความแปรปรวนให้ดูแสดงทุกข์ให้ดูแสดงการบังคับไม่ได้นะให้ดูตลอดเวลาเราไม่ยอมดูเราอยากบังคับให้ได้อยากดีให้ได้อยากสุขให้ได้แล้วได้นิดนิ ด, นดหน่อยไไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่พอนะอยากได้ถาวรด้วยไหมืนธรรมชาติมากเลยพอรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรนะเพราะว่ารู้ด้วยการฟังก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่มีสติรู้สึกตัวไว้ หลวงพ่อพูดภาพรวมให้ฟังเพราะว่ า, าวันหนึ่งข้างหน้าเราจะเดินไปตามลําดับลําดับมันจะเห็นไปตามลําดับเนี่ยอย่าออกนอกรูนอกทาง น, น, นอกรูนอกทางเช่นคิดว่าทําใจให้นิ่งๆแล้วจะเกิดปัญญาควระเรื่องกันนะทําใจให้นิ่งๆไม่ได้ทําให้เกิดปัญญาทําใจนิ่งๆได้แต่ความสุขความสงบถามแล้วควรทำํำไหมสมถะมีประโยชน์ มีประโยชน์แล้วก็จําจเป็นสําหรับคนที่จะรู้กายมีประโยชน์แต่ไม่ถึงท่านจําเป็นสําหรับคนดูจิตมันแยกแๆ ก, กันหมดนะธรรมะนคนไหนคิดมากดูจิตไปคนไหนโลภมากทําความสงบมาแล้วรู้ร่างกายไปเห็นรู้กายรู้ยังไงรู้กายไม่ใช่เพ่งกายไม่ใช่คิดเรื่องกายไม่ใช่ใจลอยไปที่อื่นรู้กายก็คือกติ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 อุบายก็เหมาะกับคนที่จลิตนิสัยต่างๆกันใครใช้อุบายอะไรแล้วสติเกิดบ่อยก็ใช้อ น, นั้นอะไรก็ได้เป็นประเด็นรองนะประเด็นหลักก็คือสติจะเกิดไหมจิตจะตั้งมั่นไหมจะเกิดปัญญารู้กายรู้ใจตรงความเป็นจริงไหมที่สำคัญอยู่ตรงนี้ที่นี่มีหลายสำนักอนาะจารย์สุพจน์ตรารพัดเลย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 ใช่ใช่นะอยู่ที่ความใส่ใจของเร า, ามีความสนใจที่จะรู้คือตัวฉันทะเราใส่ใจเราสนใจนะวิริยะ ก, ก็เกิดขึ้นมาถ้าเราไม่สนใจนะก็ไม่มีวิริยะอย่างหลวงพ่อหัดปฏิบัตินะหลวงพ่อได้ยินครูบาอาจารย์สอนสมถะนี่นตั้งแต่เจ็ดขวบท ร, รมาตั้งแต่ปีศูนย์สองทำมาเรื่อยจนปีสองห้ายี่สิบสองปียี่สามปีท พอไม่ได้ยินหลวงปู่ดูลบอกว่าให้ดูจิตตัวเองรู้สึกน่าสนใจนะทำไมเรารู้เรื่องอื่นๆเยอะนะปริญญาอะไรก็ไปเรียนได้หลายใบทำไมเราไม่เคยรู้เรื่องจิตตัวเองพอรู้สึกว่าการเรียนรู้จิตตัวเองเป็นเรื่องน่าสนใจนะชั้นท่ามันเกิดแล้วมันจะขยันดูนะไม่มีใครบังคับนะไม่ใช่ว่าจะมารีบปฏิบัติระหว่างนั่งรถมาหาหลวงพ่อนะหลายคนทาแบบนั้นน่าเกลียดนะ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 รู้สึกน่าสนใจนี่ฉันทะจะขยันดูจิตตาก็เกิดนนะั้ะขยันดูจิตใจคอยจดจอ่อไม่ค่อยวุ่นวายไปเรื่องอื่นหรอกนะแทนที่จะวันวันจะไปคิดเรื่องอื่นนะคอยมาสังเกตจิตลูกเดียวเลยลมนะ่แมาเวลาที่เหลือไปคิดสเปสสตะนอกรูกนอกทางเสียเวลาเนะพราะเราสนใจซะแล้วสนใจดูจิตตะอะไรเกิดขึ้นนะมันจะค้นคว้ามันจะใคร่ครวนอยูนะ่ในเรื่องจิตเรื่องใจนี่ตัววิมังสา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 บางอัานก็ตรงบางอัานก็เพี้ยนต้องระมัด ร, ระวังนะอ่านหนะังสือธรรมะอะไรก็ตามแต่เพี้านอญิงไม่ได้นะต้องระวังว่า ง, ง่ายว่าง่ายง่ายง่ายเหรอสมาติสมาธิสัน้นคือสมาธิสั้นนะเพราะว่าจริงๆก็คือเขาไม่สนใจเรื่องที่เขาต้องสนใจนั่นแหละ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 บางทีอาตมาก็ไม่โทษเด็กนะบางทีมันก็น่าเบื่ออย่างตอนเรียนแมวจนได้ไม่สมัยเรียนม5เรียนวิชาอะไรเขาเยอะแยะหมดเลยเนี่ยเราไม่ได้ใช้อะเยอะเยอะมันไม่สนใจอ่านว่าไงวิทยา ถึนี้สภาวะของความเป็นกลางเนี่ยมีหลายกลางนะกลางทัศสมุทาอันนี้เพ่งเอาไว้ถ้าเคลื่อนออกไปก็ไม่เป็นกลางแล้วนะแต่กลางด้วยปัญญานี่ไม่ใช่กลางด้วยปัญญาเรียกว่าสังขารุเบกขายานยานคือปัญญาเนี่มียานที่เป็นกลางต่อความปรุงแต่งอย่างเช่นเราหัดดูจิตใจของเราไปเรื่อยๆจิตใจมันเป็นทุกข์รู้ว่ามันทุกข์นะแล้วก็เห็นเองทุกข์มันอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ไป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 เป็นกลางอันนี้แหละใกล้ต่อการบรรลุมรรคผลส่วนกลางเพาการเพ่งให้นิ่งๆไว้ได้ความสงบทนละอันกันเพรั้นกลางก็มีหลายกลางนะถ้าในโลกนะใครบอกเป็นกลางแสดงไม่เป็นหรอกแต่ทางจิตี่ยมีแมนว่างไงแม น, มนเหรอ หลวปู่มั่นสอนนะระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยนะเราชาบทำจิตให้เฉยนะระวังแล้วแมนยังเวลาไปดูจิตเนี่ยแมนยังขลำลงไปดูไหมหรือสักว่าดูมันเกิดจากจงใจดูแมนนะจงใจไปดูเนี่ยไม่ใช่การเจริญจิตตานุปัศนานะแต่เป็นการเข้าไปเพ่งจิต พอจงใจไปดูมยนจเพ่งจิตมันจะค่อยลึกๆๆลงไปบ้างหรือว่านิ่งว่างหายไปหมดว่างแล้วไปอยู่กับว่างๆบ้างจะเข้ารูปไปแต่ถ้าสติเกิดขึ้นเองเช่นกิเลสเกิดแล้วแมนระลึกมันรู้ขึ้นเองอ่ะว่าโทตะเกิดแล้วอย่างเงี้ยตรงเนี้ยแล้วมันจะว่างขึ้นมาไอ้ตัวนี้ใช้ได้ไม่สติเกิดเองไม่ได้จงใจไปดูถ้าคิดจะจงใจไปดูมันจะทื่อๆใจจะทื่อๆอยู่เรื่อยเป็นการประทับประคองเอาไว้ แม่รู้สึกไหยว่าเราอย่าประคองต้องใจเด็ดๆนะอย่าไปประคองมันมันไม่ใช่ตัวดีมันเป็นตัวทุกข์ไม่ต้องไปประคองมันอาจารย์สุพศ์อาจารย์สุพศ์เป็นไงเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเป็นไงเที่ยงหรือไม่เที่ยงแล้วแว บ, บๆดีถ้าทั้งวันเลยแม่มีความตู่อาการหนักแนละ้ว <c oughs> ว่าไง ตอนนี้ผู้หญิงอะ่ะเผลอนานไม่ดีนะเผลอสั้นๆเอ่อเห็นไหมถ้ า, ถ, าถ้าไม่เผลอไปก็เริ่มบังคับมันแล้วเนี่ยจิตมันจะสุดโตกสองอันทางปกลางจุดที่เป็นสาเหตุการณ์จริงๆเล็กนิดเดียว เรที่เผลอไปพอเผลอรู้ว่าเผลอปุ๊บตรงนี้เป็นทางสายกลางมีเล็กนิดเดียวอย่างเราเผลอๆอยู่พอรู้ว่าเผลอปุ๊บใจจะโล่งขึ้นมาช่วงแวบหนึ่งคนส่วนใหญ่ดูไม่ทันถ้าไม่เคยสุดไม่เคยหัดรู้หัดดูถัดจากนั้นอกุศลตัวใหม่จะเกิดอย่างเช่นฟุ้งซ่านไปคิดด่าตัวเองว่าแหมเผลอมาตั้งนานเนี่ยอันนี้เผลอครั้งใหม่แล้หรือเป็นห่วงอนาคตกลัวจะเผลออีกก็เลยเพ่งเอาไว้ใจก็จะสุดโต่สองข้างไม่เผลอก็เพ่ง ดั้นใจของเราคุ้นเคยนะที่จะไปทางสุดโตงใจของเราไม่คุ้นเคยที่จะเดินในทางสายกลางเังนั้นทางสายกลางนี้ทําไมไม่คุ้นเคยนานๆจะเกิดพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งนานๆนนจะมีพระพุทธเจ้ามาสอนทางสายกลางไงพงศ์ใจลอยแล้วรู้ไหมไม้คิดเรื่องอะไรไม่เป็นไรรู้ไหมไปคิด อ๋ออยากถามรู้ไม่ว่าอยาก <c ười> ร, รู้สึกไหมใจเรากระสับกระส่ายตอนนี้มันตื่นเต้นดูอกไหมเออถามได้ เ, เ<อ> ท, ที่ยวเรียนของเมีโรงงานในเือไว้ทงานจริงๆนั้น้ามาให้ทำนก<อ>็ทางานไปก็เวลาทางานมันต้องเพ่งครับเหมืนอนเราเพ่งทางานให้มัน<อ>ได้มา่ า, าเออถูกแล้วอ่ะ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 อนุไสเหมือนกันถึงเวลาต้อขึ้นมาปรุงเป็นกิเลสขที่มาทํางานอย่างเรามีปฏิคาอนุใสที่หงดหิ ด, ดพอมันที่งดหิดเนี่ยพอมันกลายเป็นโทสะโมโหตูมตามขึ้นมาเนี่ยนะมันก็จะเพาะนิสัยที่หงดหิดให้มากขึ้นถ้าอนุใสัยนะเราก็สร้างขึ้นมาเองด้วยความเคยชินจิตใจเคยชินที่จะโกรธก็โกรธเร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่มาไปบอกเด็กสา ว, าวเด็กสาวพวก น, นี้ย เราอยาหัดขี้บนนะเริ่มต้นหัดขีบนพอเป็นยายแก่นี่เป็นยายแก่ปากปากร้ายที่สุดเพราะว่าสะสมความชี้บนตั้งแต่เด็กจนแก่มันสะสมได้มันเป็นในเวลาที่เราจเจริญสติอย่างสมมติพอโทสะเกิดนยโทสะเกิดปุ๊บพอเรามีสติเนี่ยโทสะจะดับทันทีเพราะฉะั้นในขณะที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มีกิเลสให้ละหรอก ทันทีที่เกิดสตินะกิเลสไม่มีแล้วเพราะงั้นไม่ต้องละกิเลสเพราะไม่มีกิเลสจะให้ละสิ่งที่ถูกลางไปคืออนุใสคือกิเลสตัวเนี้ปรุงขึ้นมาแล้วทํางานไม่สําเร็จหาอาหารไปป้อนอนุใสไม่ได้อนุใสตัวนี้ขาดทุนไปแนละมันจะค่อยๆ อ, อ, อ่อนกําลังลงคล่อยๆเป็นหัวต้นไม้ใต้ดินค่อยๆฟอกไปขึ้นมาหากินไม่ได้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 หัวหน้ากองเรียกไปให้งานแม่ว่าหัวหน้ากองเลยคนใจบาปฉันจะปฏิบัติธรรมมาเรียกให้ทํางานบอเธอไม่ไปปฏิบัติที่บ้านเธอนะเธอจะกินเงินเดือนเธอจะปฏิบัติธรรมผิตหน้าที่ไม่ได้นะต้องทําให้เป็นทําให้ถูกก่อนแล้วก็ค่อยขยันสังเกตไหมจิตใจตอนเนี้ยสบายใจกว่าเมื่อกี้รู้สึกไหมเนี่ยหัดรู้สึกอย่างนี้นะใจตอนนี้มันสบายกว่าเมื่อกี้ มันโล่งๆขึ้นมาเนะี่ยเริ่มอึดอัดนิดๆแล้ดูออกไหมเริ่มทื่อๆขึ้นมาแนละ้ดูออกไหมรู้ลงไปสีลักษณะสีละขณะนะคือคือมันแล้วแต่ภาษานะบางคนก็ว่าดูบางคนก็ i, ว่ารู้บางคนก็รู้สึกเนาะสังเกตนี่บางทีเบ้อเบไปหน่อหรือดูบางทีก็จงใจดูก็ไม่ได้นะจงใจรู้ก็ไม่ได้จงใจสังเกตก็ไม่ได้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 คนหลายคนกินน้ําบ่อเดียวเดินทางเดียวไม่เหยียบรอยกันอยากทําได้ถามหญิงต่ำหูผู้หญิงทอผ้าไม่ใช่สาวฉันทนาในโรงงานนะผู้หญิงทอผ้าแบบโบราณนะ่หมายถึงว่าไงอยากทําได้ก็คือรู้อยู่เฉพาะหน้าผู้หญิงทอผ้าเขารู้อยู่เฉพาะหน้าเขาทาซ้ำๆๆอย่างที่คุณกบบ่นเมื่อเช้าผมเห็นเป็นก้าวหน้าเลยใช่ไหมคนทอผ้าเนี่ยนะมันไม่ยกฟูมนี้ยกผ้านี้เลื่อนที่ไปไห น, นก็อยู่ที่เดิมนั่นแหละ แต่รู้ซ้ำซ้ำซ้ำรอยครั้งคันครั้งหมื่นครั้งยังเกิดความเข้าใจรู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดว่าจะรู้ยังไงจะทํำยังไงนะไม่ต้องคิดเขาเลยสอนต่อบอกอยากทําถูกถามเด็กเลี้ยงปวายนั้นถ้าเราอยากปฏิบัติคุณแนายไปถามเด็กเลี้ยงปวายว่าจะเริยสติยังไงถูกต้อง <c oughs> มันจะบอกไม่รู้ไม่รู้นะั้นถูกแล้วเพราะไม่มีหรอกให้รู้ตรงที่ผิดเจอแล้วมันถูกเองอย่างจิดของเราผิดก็คือจิดเลาเผลอไป รู้ว่าเผลอปุ๊บนะมันก็ตื่นขึ้นมาเองรู้ว่าเพ่งไว้ไม่หายเพง่งแต่เผลอไปเนี่ยรู้ว่าเผลอนะจะหายเผลอทันทีแต่เพ่งเนี่ยไม่หายเพราะเพ่งเนี่ยบางทีมันไม่ใช่อกุสนะเราคิดถึงการปฏิบัติธรรมใจเรามันน้อมเข้าหาสมถะมันไม่ใช่อคุสนั่นไม่บางทีไม่หายให้รู้ทันจิตลงไปอีกชั้นหนึ่งจิตอยากเลิกเพง่งพอรู้ทันว่าจิตอยากเลิกเพ่งนะความอยากดับรับการเพ่งกจะดับไปด้วย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 นะคืออย่าสนใจว่าตรงไหนที่ถูกตรงไหนกลางไม่ต้องสนใจให้รู้ตรงที่ไม่กลางอะ่นะแล้วมันกลา ง, งมันเองนะนะเช่นกิเลสเกิดขึ้นมาใจไม่เป็นกลางส ว, ว่าโทตะเกิดคนะวามไม่เป็นกลางก็มีสองอันแลนะาวกลางมีอันเดียว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 วันนี้จิตเป็นยังไงวันนี้จิตดีหรือจิตชื้อชื่อจิตเป็นอะไรไม่ฟุ้งซ่านแต่ซึมซึมอรู้ไมซึมซึมไม่ดีนะซึมซึมไม่ใช่จิตที่ดีรู้สึกไหมวันนี้มันซึมซึมเอ่อซึมซึมไม่ดีนะซึมซึมเป็นกิเลสอย่าซึมนะซึมเป็นชื่อของส้วมเออ อ้อเป็นไงอ้ออ้อพิลาทีมีเนี่ยหลองพ่อเวลาพูดพูดบางทีหลวงพ่อต้องพูดให้ตลกนิดหนึ่งเพราะพวกเราชอบหลับเวลาฟังธรรมะกจะหลับฟังแล้วมีความสงบยิ่งพวกตอนค่ำๆนะเปิดเทปครูบาอาจารย์ สั่งไปแล้วแมประเทปหมดแล้วก็ถอยออกมาปิดเครื่องวันนี้จิตสงบโถหลับมาทั้งชั่วโมงนี่ไปคิดโมะนะเรียนธรรมะนะอย่าทําให้จิตซึมๆนะจิตเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเราคอยรู้ไปดูหัดตั้งแต่ตรงนี้ออกไปอยู่กับโลกข้างนอกเร า, เากระทบอารมณ์ปุ๊บจิตเราก็จะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเราก็จะได้คอยรู้ไป การปฏิบัติต้องทําให้ได้ในชีวิตประจําวันถ้าทําไม่ได้ไม่ได้กินหรอกเพราะกิเลสเอาไปกินหมดเออเห็นไหมเมื่อกี้บอกว่าจิตดีตอนนี้ยอมรับแล้วว่าสื่นคุณศักละ่ะคุณศักเป็นไงวันนี้ตื่นดีไหมดีวันนี้คุณศักดีตื่นก้าว่าก้าเป็นลมไปแล้วเอเรีบทายาดมเลย ดีเขาก็ามาเรียนได้ทุกวันเนี่ยดีแล้วงั้นใจจะถูกโลกลากไปเรื่อยๆนะเห็นคนก็มาบอกว่าเป็นหัวหน้าวงคะแช่ไม่ได้เป็นนะเห็นไม้มเพื่อนกินหาง่ายนยเขาพอถึงคราวเราจะตายเนี่ยทุกคนโบกมือบอกไม่เกี่ยวเนเนี่ยเพื่อนเพื่อนตายหายากเว้เราชวนกันกินนะมีคนกินด้วยนะ แก้วไปดูนะแก้วดีขึ้นเยอะแล้วล่ะรู้ฝึกไหมใจมันตื่นใจมันโล่งนะค่อยๆเรียนไปธรรมะไม่ได้ยากอะไรเอาคุณที่นั่งถิงตู้นะั้นน่ะเป็นไงฟังวิารณไปเรื่อยครับตลอดอื ม, อ ม, อ ม, อมดูไปเรื่อยๆนะเราใช้ความคิดตลอดเลยเราดูไปนะใช้สติแต่ใช้ความคิดจะต่างกันสติจะระึกรู้เช่นใจเราแอบไปคิดปุ๊บเรารู้เลย ธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการคิดธรรมะเรียนได้ด้วยการมีสติการรู้จักหลัปฏิบัติเด็แรงปฏิมาใจข้อต่นื่องเพื่อเก็บเปี่ยมตอนเช้าคือขออนุบาลนะคะตอนตอนตืนนอนนะะเราดูใตัวแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติรูเ้นนเก็ียมเย็นใจหวานจเดิเออดีดีดีตนช้าตอนก ลงบันไดนะคะลงบันไดนะไม่มีราวบันไดเราต้องลงหดลงคอะพอลงแล้วเวลาเราลงไปกออกจากบ้านแล้วมันก็เลื่อเนี่ะเออขยันดูนะเราข็ากลับข้าบ้านมาเริ่มปฏิบัติเราทำอย่างชาวบ้านปฏิบัติใหม่อย่างนี้อย่างนี้ควรจะอยู่บ้านมากๆคือปฏิบัติให้ต่อเนื่องนะคะ อย่างนี้มีโอกาสได้อยู่บ้านทั้งวันได้ยิ่งดีบางคั้ใจตัวเองเหมือนกันทำไมลืนะอย่างเงี้ยมาเสียดาย่ะอาน้าเสียดายนะเสียดายเวลาเราเราลืมขึมาแล้วก็เลิกได้ต่มอาการบอกนะะเสียดายนะตอปนี้นะเสียดายรู้ว่าเสียดายเลยอม่ได้ต่อไม่คิดติดต่ออะไรอ่างงี้นะอ้นั่นจิตละนะถ้าเสียดายรู้ว่าเสียดายไม่คิดต่อ ก็อย่าจอนอปฏิบัติอง้ก็อย่าออกนอกบ้านเอาวันนี้ขอเวลาให้พระเลยนะเชิญโยมกลับได้